ลมเมื่อเฮาพิจารณาตัวเฮาอยู่ตรงนี้นเสมอเฮาก็สามารถที่จะรู้ได้เห <c oughs> ็นได้ <c oughs> เข้าใจได้สิ่งที่ดีในตัวที่เฮาต่อยตัวเฮาตะตัวเฮาไปนั่นคือเฮาไม่ได้พิจารณาตางงจมูกลิ้นกายใจนีน้เฮาเลยเฮ็ดไปตามพาลมคือใจสอบใจมันสอบอยางไงเขาบมเฮ็ดไปทำไปเมื่อเฮ็ดไปทำไป มันเลยเป็นความทุกข์ขุมเดือดร้อนเกิดขึ้นมาให้แกเข่าผู้ไดหลับเหาอเองเป็นคนหลับอะสมมุติให้ฟังเอาคนจริงก็ได้สมมติก็ได้ทุกข์มากที่สุดทรมานจิตทรมานใจเนี่ยแกคนบางคนอาจีวะเคยได้คิดไม่จะได้คิดแล้วก็มีพ่อแม่เหาเป็นผู้ทําให้เกิดถ้าหากลูกเป็นคนเลว เป็นคนซั่วพ่อแม่เนี่ทรมานใจมากที่สุดยิ่งก็ตกนรกอีกด้วยตกนรกหรืติดคุกติดตารางยังมียังมีวันออกเป็นว่าเขาไปติดคุกติดตารางครบ ก, กําหนดแล้วเขาปด้อยออกมา ล, ลูกทาซัวแล้วลูกบ่ดีเนี่พ่อแม่ทรมานใจนี่บ่มีวันเตานอ น, ก, นกับบ่หลับชินกับบ่แตกลงเฮือนไปคอยจ่มีคนจองจ้องหน้าแล้วกับ ว่าดผวาอยู่เสมอจิตใจแล้วฮ อ, อเมื่อใดอย่างคิดเขาต้องพยายามสร้างตัวเขาบั น, นี้ลูกทําดียู่เย็นเป็นสุขพ่อแม่ก็สบายใจเมื่อสร้างเมืองสวรรค์ให้พ่อให้แม่เขาว่าได้ลงเงินไปมีผู้ถามข้าวหนะ้าหรือมีผู้ถามว่าลูกจะไปยังเทานั้นหนังนี้พ่อแม่สบายใจสมมุติเอามา่อม่อมบันที้เขาเอง เ้าสอบรายได้สมมติว่าเรียนปหนึ่งปสองหรือเท่าใดก็ตามแล้วสอบรายได้เขาสบายใจเมื่อเาสบายใจแล้วพอไม่รับก็สบายใจเมื่อสอบรายโบได้เนี่ยเขาดีใจว่าเขาบูดีใจแล้วเขาบูดีใจพอไหมกับเลยเกิบูดีใจเขาทําสัวพูดสัวคิดสัวอยู่หันเหอบบุหักเขาไม่เบิ่งสิ่งแวดล้อมคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เขาบูเบิ้งเขาบูเบิ้งไกล บริเวณเบื้องมาตัวเหานี้เป็นยังไงโยงกันสีครับบริเวเ บ, บื้งอันนี้แสดงว่าผมทุกข์มันเกิดขึ้นที่ตรงนี้เมื่อเกิดขึ้นตัวเหาแล้วมันทําผมเดือดร้อนมาให้ตัวเหาแล้วเหาจะเอาผมทุกข์ความเดือดรอนนั้นเน่ยจับแล้วหยิบยืนให้พอให้แม่เขาให้ไอ้ให้น้องเขาหรือให้แม่ป้าหน้าอาเพื่อนบ้านเขานั่นเป็นทุกข์ไปตามตามไปถ้าหากคนมีปัญญาตาดีหูดีตาดีหมายถึงเบื่ง เบื่งคนดีเบื่งคนซักว่าส่นไหนคนที่ซ่วคนที่เลวอย่าไปให้ย่างเขาหูดีฟังเบื้องเป็นคนไี่พูดดีหรือหรือนี่จะพูดที่ซื้อหรือทําดีด้วยต้องเบื้งต้องฟังเราะฉะนั้นคนหูดีตาดีมีสติปัญญาสามารถที่จะเอาตัวของเราคนไปจากควมทุกได้เพฉะนั้นคนหูดีนัสั่งฟังจังไรเนยฟังเสียงเพลงฟังเสียงหมอล้ํา ฟังเสียงอันอนี้มันเป็นหูดีอย่างสันติเหมันว่หูดีฟังคำมะคำโมฟังคําสอนของพ่อของแม่หรือฟังคําสอนของครูบาอาจารย์หรือที่สุขฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ว่าได้มันเป็นอยงสันหูมันบูดีมันอย่านี้ท้าหูดีเนี่ฟังคําสอนของพ่อของแม่ฟังคําสอนของครูบาอาจารย์ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นคนหูดีอันคนตาดีแบบนี้ขันตาดีแรกไปเฮาสมัยนี้ก็ตาดีกัไปเบื้องสี่เมื่อ แต่ว่าคนนั้นสวยคนนี้รวยคนนี้จนมันไปตาดีอยู่นอกถึงมันไม่ได้ตาดีอยู่ไหนรถคันนันงามบอกคนนั้นฐาหน้าฐาตาดีบอกเน่ยฐาเล็บฐาคิ้วสวยงามดีเพื่อท่าชุดนั้นสวยมันไปตาดีอยู่คุณมันไม่ได้ตาดีเบื้องไหนหรอกพี่คนตาดีมันต้องเบื้องไหนหรอกพี่ปิตใจกำลังมันคิดอันไดเดี๋ยวนี้เนี่ยมันกำลังฮักกำลังสังผู้ใดยู่พอใจยังใดก็พอใจยังใดมันตาดีมันต้องมาเบือ้องไห่ คำว่าคนตาดีไ ม, ม่่าเบิงพ่อเบิงแม่เบิ่อง ي, อายเบิงน้องเห่าที่เบิ่ตโตเหาอยู่นี้คือต้นคนตาดีดังแบบนั้นตาดีเมื่อกีมันมีหลายแบบหลายอยา่างคันมันมีแต่ว่าซื้อการประพฤติปฏิบัติการกระทำนั้นเป็นอีกแบบหนึง่งเพิ่งกว่าอาจบายตาเบิ่งเห็นตาเมื่ออันนี้เห็นตาในบัรเนียคือตัวสติตัวปัญญามองเจาะทะลุเข้าไปทางจิตใจของคุณเมื่อาไปเห็นคนนั้นคนนี้ เขาเกิดพอใจบอกพอใจของบบเบิงที่ตาดียวใจมันกำลังคิดอันใดอยู่เห็นรู้เข้าใจดังนั้นเขามาที่นี่เขามาฝึกหัดอาใจตูบาจารหรืออาศัยเพื่อนฟูเป็นเครื่องซักโจงไปเพิ่นเฮ็ดเพิ่นทำยู่เฮาโบเฮ็ดมันอายเพิ่นเพร่ะนั้อาใยคนหลายๆลาคนขันยู่เพื่ อ, นนอเดียวมันโบเฮ็ดมันนอนอยู่อันนั้นแต่ว่าคนมีศรททัทธาด้วยคนขี้เกียจที้คัน คนท่มีศรัทธาคนเี้ยเกี้ยกิขาเนี่ยเหมือนซีรอันใดมันก็นได้เจ็ุกเลยมาคนมีศรัทธาคนขยันวันบบนี้ออยู่อแสกบุญทุกคนยื้อพุทธะไร่ได้ไปนะอันนี้บอกว่าเป็นอวดไม่คุยเนี่ยพอหรือผมแต่ปฏิบัติธรรมะข่าวนั้นพระยี่สิบสามคนโยมห้าคนปฏิบัติธรรมะนู้นก็เหมือนกันเพราะมันไร้คือกันมันก็จิ้เหมือนกันยังไงผมรู้นอกแนวมู รู้ไปบุกคคลมู่เพราะผมเห็นบุคือหมู่นี่น่ยไพรพรมมุกนี่เป็นคนรักกันชอบพอใจกันให้ว่ามีข้าวนุมก้อนนึงกระแบงเครื่องกันกินเป็นังกันหรือมีน้อยก้อนทั้งกรตั้ต่า ง, าางอันใดก็ชอบพอกันเมื่อไปปฏิบัติธรรมะกับไปส่วนพูดส่วนคุยอยู่ท่นผมมองเห็นว่านายไพรพมมุกเนี่ยโบได้และเรื่องนั้นพอได้เห็นนายไพรพรมมุกมาแล้วผมหีนี่จากสุติปัญไปอยูงผู้ดเดียว มาเที่นึ่งซองเทือ่ยผมออก็ไปหาสามเทือ่อพวกเรืนองสี่เทืนะอ่อน่ะบรหมาเลยมันแดดฮอนผ้าปกหัวตกัตก ต, ก ต, กตกอกตอกมาแล้วมาวอมมาคนไม่ได้เห็นตัวเขาอะไรไม่ได้เห็นตัวบ่ได้เห็นตัวฮองกำลังคิดูว่าอยากไปฮันมานี้เขาไ่ได้เห็นตัวหรือบางทีเห็นมันก็นไปตามอารมณ์นะมันเข้าไปในคนคิดอย่างเทพระเคยบวชเรียนเขียนอ่านอะไรเล่าขันคนุนเก่งอะไรไปสอญาติสอยโยมบอกว่าอยา ก, กินเล้าอย่าเที่ยวกลางคืน อย่าเล่นการพนั้นอย่าไปทำผิดกฎหมายบ้านเหนือเมืองในขณะบวชอยู่เนี่ยสอนผู้อื่นได้บัดซึกออกไปแล้วตัวเองก็ยิ่งกว่าเก่าค่ว่าเบิกถอยหลังมาถกินเหล้าอันนั้นก็แสดงว่าคนเหล้าเป็นซื้อๆไม่คนเห็นเห้าเฟ้นอันคนเหล้าเป็นกับคนที่รู้นั่นมันผิดกันคนเหาเป็นซื้อนี่มันเป็นแบบนึงค่ะว่าอันนั้นเป็นว่าคนอวดดีเอามาเหล้าซื้อๆเรามีดีในตัวเป็นไง ทำไมจิงครเพราะมีดีในตัวเจ้าของอยังเฮ็ดผิดอยู่ขนะาดเฮ็ดผิดอยู่ในขณะเบื่ออยู่นี่บอกินเราเพราะมันผิดที่ไหนนี่ในบางคนเล่นมังคอจะอาเจีล่นกรไดเล่นกันข น, น, นาะเที่ยวกลางคืนชอ บ, บูการเล่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างห้ามเลยตัวแย่เห็นง่ายๆบางทีพระกับคือกันผมได้ไปเห็นหลายบอเนีย่ยพอนี่ไปเห็นหลายบ่อนพระนี่สอนมือสอนมือ อยไปเหตุจังสันจะเหตุตัวเองนะบุกเข้าใะโดยมากนี่ถ้ากรรมฐานกินเก่นี่ละหลวงพ่อเห็นแควมากก็มีวันหยุดจักเถื่อสุบูรีนี่คิดเก๋ยป็นกองจุภโพบางทีบางองค์นะหลวงพ่อเห็นนะหลวเข้าไปเบื้องสังเกตึงเขาบเอาคมาออกจากปากก็มีกินไปด้วยกันนะย้ำเอกาับมาแล้วเบิงเเบ้งนี้ย้ำเข้าบื้องนี้ป่านนั้นคุณแล้วก็ไปสอนมูดได้ว่ามันว่เป็นกิเลสหรืว่าสันไ่ได้กินเนื้อขุมยากอันนั้นแสดงว่า กิเลสมันยองยุติสิสะมันบ่มองเห็นบ่มองเห็นแล้วกีไปสอนผู้อื่นมาให้ละกิเลสได้ยังไงกิเลสมันบ่มเป็นตนบ่มเป็นโตบ่คือหมูอบ่คือมาบ่คือตัวเป็มตัวไก่มันบ่แล่นมาจากท่นกิเลสนี่ยมันอยู่ในจิตใจคุณบ่มไม่ยู่จิตใจเด้ยู่จิตใจแต่หากว่ามัอยู่ในจิตใจคำว่ายู่จิตยู่ใจเดี๋ยวนี้นี่มึงเอาบางรูสมันบ่มมันมาเป็นขังขาวมันคิดวูบขึ้นมาข่าวเดียวเขาบ่เห็นมันคิดวูก ขึ้นมาเขาเห็นเขารู้เขาเข้าใจอันนั้นเป็นว่าพิสูตพิสูตแปลผู้เห็นไถ่เป็นว่าได้ไม่ออกเขาออกก็เป็นพิสูตได้ขันเห็ดอย่างที่อย่างพว่านี่พระสงองค์เนึงจะเห็นได้เป็นพิสูตได้อย่างที่ผมว่าพิสูตแปลผู้เห็นไัยพิสูตพิสูตตัวนี้มันอยู่ลึกอันเหานี่ก็เป็นภิสูตโดยสมมติยังมาเห็นต้นไม้มันต้องเห็นเปลือกมันก่อนเห็นเปลือกมันแล้วก็ต้องเอาผ้าไปฟันเพื่อมันออก แล้วจะไปเห็นเมื่อไหมเราจะไปเห็นแกนไหมจะไปเห็นใจกลางของไหมคุณอืเิ็นวายเนี่ยผม่เนามันบ่ได้เห็นผมคิดกับไ่ได้เห็นปรเด็นคิดรูบเอารถนะครับตอนนี้เหาทีเห็นได้คือว่าเห อ, อยรืนองที่เขาฝึกหัดฝึกหัดให้เห็นความคิดมันคิดมาวูบขอเห็นขขเขาลูบเขาเข้าใจมันอะไรอยู่ตัวผวมคิดบอนนี้เหาไม่ได้สุกหัดไห้เหา อ, ออกไปสู้สังคมทําการทาํางานยังไม่ข่าวแม่ นดำคอเขานี่คือกันพระเนนเขาคือกันบาดบางทีมาอยู่นี่มันก็ะ่บมีเรื่องแนีอยู่นี่มันอยู่มันฝึกหัดได้อยู่นี่เพราะว่าที่นี่มันกระโบมีจากคนแลยได้อยู่นี่โบมีคำมากโบมีกอกยาให้สู้ให้แค้วเลยเด้กโบมีเล้าให้กินโบมีการถนัดให้เล่นเนี่ยบัดนี้ออกไปสื้สังคมบ่องใจกลางมันพุ่งแรงเลยใช่ไหบัดนี้เขาส่วนแควมากเขาคำมากให้แค้วมันไม่ได้เห็นได้บัดเนี้ยมันได้กินไปรดเหมือนเขาเอายาให้สูบ เอาแล้วให้เกณฑ์ส่วนเล่นกันพนันมันเกียร์เฮ็ดไตรลดเพราะมันบ่ได้เห็นจิตเห็นใจเมื่อเห็นจิตเห็นใจเขาอยู่เสมออยงที่เขาออกไปอยู่นอกคุณตอนนั้นมันเกียรเห็นน้อยหรือที่บคเห็นกับบุหุจักอาจเบยเห็นแล้วมันยังเฮ็ดไปบันนี้เป็นพระเป็นเลนอยู่เนี่ยมันยังเลิกนะโบได้หนึ่งมันเี่มีประโยชน์เนี่คนเอื้นดีแต่พูดนี่ยดีแต่มปากว่าสอนเขาอื่นมีดาดเดินทมไปอะไรเงี้ยนะพระกัจาง มุ่งก็ตามเป็นว่าสอนผู้อื่นนัอนไรเป็นว่าดีแต่ปากว่ากลอนสอนเขาอื่นเลยมีดาดเดินผมไปนะ่ะปึกตนเองอบรมตนเองบ้างไหมสอนคนอื่นได้เราต้องทําได้จึงจะดีเมื่อสอนคนอื่นได้เราต้องทําได้ก่อนมันอย่างนี้เราไม่ทําทได้จะไปสอนคนอื่นมันพิดเพาะว่าผนอวดดีอะคนบ่ ด, ดีในตัวในตัวบ่มีดีเป็นว่ า, วาให้ปลุกตัวเขาให้มันดี ทิวานี่ผมเมนว่าวกีว่าอย่างให้ผู้ใดนี่แต่ว่าให้ฝังซื่อเมื่อฝึกตัวเฮาดีแล้วคนอื่นบทสําคัญว่าง่ายๆคนอื่นตัวเฮานีที่มันหลอกตัวเฮาอยู่เนี่ยมันลอกอยู่ทุกเ้าร์ทุกเย็นอทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีแหละมันหลอกเราเพียงว่าพยายามฝึกดูตัวเฮากานเห็นธรรมะจะไปเห็นนอกตัวเฮากานเห็นคนซวก็จะไปเห็นนอกตัวเฮาการเห็นคนดีก็จะไปเห็นนอกตัว ให้เห็นตัวเขาให้เห็นจิตเห็นใจอันว่าเห็นจิตเห็นใจนั่นก็นกนว่าซื้อ ๆ, ๆบางคนเพราะว่ามันเว่าวกันมานานแล้วเน่ก็ว่าังก็ได้ยินมาเน่ในตำรับตำราว่าพระพุทธเจ้าตัดทะลุเพราะการทำทางจิตทางใจเขาก็ได้ยิ น, นอททนย่างสันยุหรือเขาได้ยินอย่างสัหกกนหกรรมพยายามฝึกแล้วราต้องฝึกใจฝึกกิเลสเป็นว่ายีระทีฝึกมาเป็นว่าสละที่ฝึกมาก็ได้ยีระทีฝึกมากก็ได้ฝึก บัดีมามหาเศรษฐีเป็นวะหรือมหากษัตริย์เป็นมาที่แข็งดีขาดีดิ่งดีบัด น, นี้มีคนผู้ที่เลี้ยงมานั่นแหละเป็นวะขาขาสั้นขายาวเป็นว่าขาต่ำขาสูงไม่ว่าขาหักหรือขาจะเป็นก็ได้แล้วว่ า, าย่างใสคนขาสั้นขายาวยางออกหน้ามากเลยให้ขาสั้นขายาวห้านใสมาบัด น, นี้มหากษัตริย์ก็เลยผู้จักได้มานี่แต่ก่อนขี้ดีแลนดี บัณฑตาคนนี้มาเลี้ยงมันเป็นยังไงน้อมาอยังไปค่าหกแลนบุดีแล้วเนี่ยขาห้านะครอัอันนี้เป็นว่าเป็นคผู้ออกหน้าพ่อแม่ก็คือกันสอนลูกอะต้องเป็นคนดีจึงสอนลูกได้ถ้าพ่อแม่เป็นคนบุดีแล้วไปสอนของมันกับบดีครูบาอาจารย์ก็คือกันถ้าครูบาอาจารย์เป็นคนที่ดีแล้วสอนลูกติดลุงหากระไรดีด้วยเพื่อนม า, าอาศัยยึดกันหลายคนเห็นเป็นเงื่อสิ่งแวดล้อมรอบรอ บ, รอบตัวเขา คันนู้นอรอบตัวเขาดีแล้วมันี้มันที่เป็นนิสัยเป็นนิสัยแล้วก็เป็นสันดานมันไม่อย่างอาศัยการได้ยินได้ฟังเมื่อการเห็นนั่นแะเขาต้องต้อ ง, องพยายามตัวเขาให้มากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญให้รู้จักคุณค่าชีวิตของเขาจริงๆการมาเกิดเป็นคนี่ยากได้อย่างได้มาเกิดเป็นคนเน็ตโบสถ์จะที่ว่าแม้นมาเกิดเอาได้ไง่ายเๆมองืุญแม่ ม, มองบอญพวกขาจะมีลูกมีเต้า บางคนพ่อแม่ตั้งท้องขึ้นมาได้สองเดือนสามเดือนแท้งไปเลยบุตันได้เกิดเป็นคนตายแล้วพุณบุันได้เกิดเป็นคนลตายแล้วเสียทรามแล้วพวุณเนี่ยเป็นวันครับบางคนแม่เกิดออกมาแล้วบนี้รอดจากท้องแม่ออกมาทางข้างนอกพี่เด็ใบมือนึงเสมอตายไปก็ะมิบบุตรันหัวจักไม่ยั้งพวกคบางคนเกิดมาได้ปีหนึ่งสองปีหรือสี่ 5, ปีห้าปีตายไปเลยบุตรันหู้จักมี่ยัง้งว่าชีวิตนี้คือจังไดบุตรหจัก บางคนเป็นนุ่มเป็นสาวชายแต่ก็มีบางคนเป็นพ่อบ้านแม่เรือนตายก็นี้บางคนเข้าแก่อายุเจ็ดสิบแปดสิบตายแตก็มีชีวิตนั้ น, นยังมีราคาคนมาบ่ามีราคาจังไรคนมาคนเกิดมาร้อยวันพันปีถ้าหากบรเห็นชีวิตตัวเองนั้นชีวิตบ่มีราคาชีวิตเป็นหมันไนบวชมานานๆก็คือกันและร้อยพรรษาก็ตามสาร้างถ้าหากเ่าเห็นชีวิตตัวเองแล้วการบวชของมันเป็นหมัน คนเกิดมาเมื่อเดียวได้มาเห็นชีวิตตัวเองมันนึกมันคิดรู้เท่ารู้ทันรู้จักเอาชนะมันได้ดีกว่ามีประโยชน์ก็บุคคลจะเกิดมาร้อยวันทันปีนั้นเพียงเกิดมาเมื่อเดียวนึงเดียแล้วหามาคิดเมืุ่คลเกิดเมื่อเดียวนี่ยมันจีเห็นเ่าเห็นชีวิตมันมันบ่เห็นแล้มันจีรู้จักไมีหยังจะ่พลิดคีมเนกับพลิกบได้เลยนะมันจีรู้จักไม่หยั่งพวกอุจล่าปัสวะมันกัไปผู้เดียวโบได้ ชมก็เกิดมาเมื่อเดียวก็คือใจเฮามานี่เนี่ยมาแล้วคูมาอาจารย์เลยว่าให้ฟังแต่ก้อนเขาบอเคยได้ยินบอเคยทําคมรู้สึกตัวตอนนี้เฮามาอยู่นี่เพิ่นให้เฮารู้สึกตัวเคลื่อนไหวทางรูกายภายนอกแล้วเพิ่นให้รู้สึกจิตใจมันนึกมันคิดเพิ่นให้รู้สึกเฮาก็เลยจําไว้ทาอีกที่มันจะรู้แต่การเคลื่อนไหวรูกายในสักก้อนก็ไปจิตใจนึกคิดมันจะรู้อันรู้จิตใจนึกคิดเป็นว่าดีกว่า มีประโยชน์กว่าบูรูนั้นคนว่าบัด น, นี้บวชมาเมื่อเดียวบัด น, นี้บวอมาเมื่อเดียวเนี่ยผู้ใหญ่เนี่อายุเก้าปีสิบปียี่สิบปียังมาบวชอันนี้อาจจะรู้ได้นนดีก ว, ว, ว, ว่าผู้บวชมาร้อยพันศาคนคนว่าดังนั้นเฮามานี้ก็ต้องพยายามฝึกตัวนี้ให้มากคนว่าเคนนุ่มเป็นสาวจนตายเน่าเข้าโลงเ่ยวกเคยดูตัวเองจกักเชื่อบางคนนำความเดือดร้อนควาวุ่นวายมาใส่ครอบครัว ป้อยลูกป้อยหลานป้อยผัวป้อยเมียกันตบต้อยตีกันยุเสมอเป็นนรกอนั่นนรกมันอยู่หั้นเขาจะไปฟ้องหานรกใต้ดินคุณนะมันนานเห็นเขาเจาะน้ำบาดาลเจาะน้ำมันเดืนเนี่ยโบเคยไปเจาะเอาบ้านโบเคยไปแทงเอามานโลกใต้ดินผู้จากเถือบบ้นด้วยเมืองสวรรค์อยู่บนฟ้าพุ่นแับนี้เครื่องบินจะลวกขาเจ้าเที่ยวกันวุ่นวุ่นอยู่โบเห็นไปโซนบ้านเทวดาตกลงมาจากเถือีบเป็นอันขาดบุู้จัก มันรกก็หมายถึงความร้อนอกร้อนใจทำสัวพูดสัวคิดชัวเลยนอนบ่หลับกินบ่แซบคิดบ่หันเนี่ยนั่นส่วนอื่นว่านรกใส่นรกนั่นที่มันร้อนมากที่สุดเป็นว่าน้ำมอ้นรกใส่นรกน้ำมอ้นรกน้ำเลือดดานเอาที่เหินไปทิ้มใส่โยนใส่กับตุ้ยมึดเป็นว่าเอาไม่ไปทิ้มใส่กับตุ้ยมดบาดคนไปจกนรกงบ่เห็นตุ้ยเป็นยังไงเพราะว่าไปเสวยนรกเสวยกรรมน่ะกลับขึ้นมาก็เป็นคนเนอะฉัน อันนั้นเ่มสอนคนที่บทบธมีปัญญาคนที่มีปัญญาแล้วฝังดูรูโต้ใส่มาลนรกในบา้านใดมันจิตใจโบดีมีเด้เนี่ยเขาพูดจักในขณะที่เขาทําดีพูดดีคือยังมูแม่ขาวแม่ดํามาอยู่นี่เนี่ยเพื่อนที่สู่สมนเด็อยู่เนี่ยทำดีพูดดีคิดดีให้ฐานลักษาะสินกระซ้างให้นักสันดียุสักดินบาานที่มันโต้ขึ้นมาปุ๊บมดควร ม, มีเดมเผามดเนี่ยใส่ในรกคนเผา หม้อนรกมันมืนมดน้ำใส่ในนรกมันเผามืดเต้ยเป็นเท่าเป็นอย่างเป็นมดแล้วซอกหาบางรูปซอกของคนดีอ น, นันตมีบอกโบนีคนสอนจังซีคนเอื้อนมาปาลามีเพราะสร้างสมอบเลปาามปรมีนั้นศาตร์นี้ศาสตร์หน้าหรือศาสตร์แล้วมาปนนุ่นอนันต์คนผู้ที่ผู้ศักดิ์ยังสั้นก็ต้องสอนจังสั้นท่านปัญญาเขาบ้าได้สอนจังสั้นเพราะนั้นคนมีปัญญาจะว่าแสงตาแวววาวคม หูกับฟังเสียงลึกเสียงตื้นได้เสียงไ้เสียงไก ล, กลได้เป็นว่าคนมีปัญญาคนที่มีปัญญานั้นบ่สามารถที่จะรู้ได้เป็นว่าอย่างไรอันบารณมีนะ่ะปาระแต่พร้อมมีแล้วที่จะรู้ได้จะเห็นได้เพอจิตใจของคนนั้นมันมีความสะอาดมีคมวามสว่างมีความสงบมีแล้วเพื่อนอุเกขาอันอุเตขานะ่ยเพื่อนว่าบางเสย มันจิตวางโสย่ี่เนี่ยมันเป็นอย่างสียอยู่ตลอดเวลามีเมื่อทุกคนทําการทํางานโดยว่ามีทุกวันวานบนเร่องเจ้าทุกอันนี่ยวันว่าเหนือทุกอันเหนือทุกในคนเออว่าเหนือโลกอันทุกในคนเพออว่าโลกโลกคือความทุกข์ความวุ่น ว, นวายเป็นไรบนเรื่มงมาติ้นโลกแล้วหนีจากโลกไปอันนั้นเป็นคนที่สอนแบบหนึง่งสอนแบบคนมีปัญญาอัน น, น้แบบคนมีปัญญาในยู่ในโลกแต่หักบอบเบได้ทุกข์กับโลก ผู้โรควงสั้นแหะเป็นอย่าง่าผู้ที่เป็นอายาบุคคลหรือพระพุทธเจ้าจึงทํางานได้มากทางานได้ทุกแง่ทุกมุมคนอื่นทิกซูทิกซูแปลผู้เห็นไทยแต่เฮานี่แปลว่าทิกษูแปลผู้เห็นไทยเห็นไทยเห็นอย่งเห็นความคิดบูดีมันคิดรูปขึ้นมามันบูดีเห็นเอาสนะมันได้โดแม้นที่เราไปสอนผู้อื่นแล้วเป็นทิกษูแค่มากมุดยากมาเป็นกิเลส โอ้อันนั้นนะเจ้ของขั้วคที่ตายนี่แหละน่ะเขาเอื้อนนอนอย่าว่าให้ฟังมีสองคนนํากันไปรักษาสินเพื่อนว่าคนนึงรักษาสินบริสุทธิ์รีุ่ดีคนนังรักษาสินบอร์บร์รี่สุดสินด่างสินพลอยเพื่อนว่าคนรักษาสินบริสุทธิ์นั้นตายไปแล้วแตเกิดเมืองสวรรค์เป็นเทวดาเพื่นว่าคนพูดรักษาสินบอบริสุทธิดสินด่างเพอาะน้นตายไปแล้วเป็นนอนเนี่ยในส่วมของพระโดยไม่ส้วมนี่ ช่งทายอุจละนั่นนี่บ้านี้ก็บซอกหากันแล้วบ้านี้ผู้เป็นเทวดาก็บซอกหาเสียผู้นี้ผู้นี้ก็บซอกหาเสียผู้นั้นมันกับโบเห็นกันมันบ้านเหมืองมันก้วงนี้เมืองสว่างกับก้วงห้องส้วมกับก้วงซอกหาโบเห็นกันเพื่อนผู้เป็นเทวดานั้นเมืเวลาทีได้ก้มลงมาสผู้เป็นหนอนนั้นไม่ที่แง่พระนอนั้นคืมันกัญญาเป่นวะผู้เป็นเทวดาก็เลยก้มลงมาแลไปเห็นผู้เสี่ยวเพื่อนไปเป็นหนอรนี่นแล้วไปหาผู้เพื่อนมาโทษ เพื่อนเหราเนี่ยรักษาสินนํากันใส่ใส่มาใส่แต่นต้นกนากันนี้วยงั้นแเป็นอาจาย์น้เสี้ยวเนี่ยเพื่อนเ น, น, นี่ยเรา ม, มาหาเพื่อนอาจารย์เฮงอ่างอาจารยผู้ น, นี้ก็เลยพูดจากว่าจาเสียงกันได้โอ้เพื่อนไปใส่มาอาจานยโอ้โอหอบมาจากเมืองสวรรค์คนนึงเมืองสวรรค์เป็นยังไดงเสี่ยวสบายบอสอาจารยโอ้สบายนเนี่ยเสี้ยวไปยืดกันบอสอาจารยกดเล่าคุณค่ามของเมืองสวรรค์ให้ฟังกันหน้าสเสี่ยวอาจารย์ดูนี่เป็นยังไงเสี่ยวนี่ย ก็อยู่ไกับสบายเลยโอ้บริสบายวะอันนี้เสี้ยววะเป็นยังไงบรสบายวอันนี้มันของเน่าของเหม็นวะอันนี้บริช่ของดีวะวางวางให้อันผู้เสียเนี่ขี้อันเดียววะบริไม่ของดีนะเมือสวรรค์ได้เป็นยังไงวะโอ้มืองสวรรค์ของทิพย์อยากได้เสื้อได้ผ้าสวยๆงามๆกับนึกก็ได้โลดอยากได้หล่องเท้าอยากได้อันใดงามๆอยากได้บ้านได้เหอนงามๆกันึกเอาก็ได้โลดนึกเอาก็ได้โลด อยู่นี่เป็นยังได้เสียวเหรออยู่นี่ทเทเบรินึกเลอ๋อเมืองสวรรค์นี่ทุกไลาล์เลย น, นี่อันนี้แหละคนซัวคนซัวเจ้าของซัวอยู่แล้วเขาเอิ้นมาห่างล้วนเลยวะ่ะมัน ม, มีมิทานวะ่ะพอแม่เราให้ฟัง่ะแต่หากว่าเรื่องนี้ก็ต้องออกมาเล่าสุขกันฟังแบบ น, นี้ส่วนผู้เป็นหนอนมั่นโบไปแล้ยถามเมืองสวรรค์มีคี้ให้กูกินมั้ยเสียวว่าอสันถามมันก็มีคี้เลยเมืองสวรรค์มันจริงของทเทปเสียวว่าอสันโอ้ย อ่าผมีขี้กูกินกูนก็ว่ไปในมึงแล้วบอกวากูกินขี้อ่ะห่หวดิกลงกองขี้ขนดจ้อยรับอันนี้แหละว่าดีแต่ปากว่าร้อนสอนเขาอื่นเมดานเดินเหลือลับนับไม่ไหวกบปลมตนเองฝึกตนเองบ้างไหมสอนคนอื่นได้เราต้องทําได้ก่อนจริงจะไปสอนคนอื่นเันมายจาั่นบัด น, นี้มีฐานมาห่าง้วนคนนีน้พอเราให้สองใปในน้อยผิดติดทุกพวกอย่าพอจํามันดกว็ดีนะจำหลายปีมันก็ต้องลืม ดีมาฟูงเงินพันว่ามาฟู ง, งเม่มันที่รักกินมันไปรักกินมันเป็นรักไก่มันกินไก่ได้มาเนี่ยกินไก่น้อยกินไก่หย่บันนี้อ้ตาคนนึงเกิดสลดับมาไปกินไก่แล้วบันนี้เปิดประตูไก่ไว้เปิดบนนันทึเฮ็ดกลับอระลับจะมันสลับกันไม่กลมคมเนี่ยไว้ยังไงก่อน้นึ่งก้ า, า, า, า ม, มาพามกระาพามดิมาเมันก็นลอดเข้าไปเลยลอดเข้าไปบันนี้ ตัดมันก็ลันทับหางที่มันลันตัดมันขาดติดลงไปที่หางพอที่มันเก็บหางนี้ได้เหมือนกระโดดต่ำเอกฟางนั้นผู้เลยบปได้ขินไกลเนี่ยไปบัานนี้ไปสวนหม่ได้นโอ้ยโมูหางโม่แล้วมันบัวงามใช่ไหมมาหางหางเงวมาตัวหางขาดนี่ไปสวนหม่มันนี่แหละหางเงาเนี่บูดีท่นมันเฟื้อแต่หันมานี่มันลำบากอเลยให้มันหางกุ้มคือยังหางเราเนี่สบายไปใส่มาใส่บอลําบากอลยที่บ้านยาี่ยพอเกิดตัดหางมาล้ายคน ตัดเป็นจำตูดทุนได้บมดนี้โตของโง่โง่คนบ่นมีตาแหลมนะให้ว่าคนโง่ โ, หโหว่าสังกดเข้าไปในสำนักเขาเบืบ้งองครับว่าคนนั้นบ่มีตาแตมันมียุตาเนี่ยหูขอกเขบ่มีเขาไปฟังเขาว่าวธรรมะมันบุู้จักมันมีหูฟังซื้อๆบหมนีนเข้าไปสำนักคนตาดีเขาอมองเบื้งสภาวที่หลวงพ่อไปเนี่ยหลวงพอ่อบื่อเข้ามาพันษาสอพันษาสามหลวงพออ่ออกเดนิดนเทวดาไปเห็นอาจารย์เคี่ยวมากอยู่ ตนั้นเราธรรมะแววแ ว, วอยู่เ อ, อ้ามันคนง้อมาอยู่หึงเสียคนตันลาดคนมีหูมีตาเนี่ยเขาบ่านะบนจะอยู่นะ่ะผมเนื้ออาจจะมาไปยู่นาสำนักละหกมือเจ็ดมือเก้ามือสิบ ม, อ ม, อ ม, มอือยี่สิบมือก็มียี่สิบแปดมือยู่หึงคนหมู่สำนักมือแต่บบต้องอามาพูดกันะสังเกตการคนมีตาได้องียพอวะ่ะตาอันนี้ก็มีได้มองมึงสังเกตว่าดีั่วนคุณนี่เป็นอย่าง น, น, นั้นอันเน่โมแต่เขาบวกคอยมองอย่างนั้นหนะันเข้าไปแล้วโอ้คนเราดีเนี่ย มันไม่ได้มีตา ม, มองเบื้งไปแต่ว่ า, าพระพุทธเจ้าสอนให้หละกิเลสกิเลสคือยังกิเลสคือกวมตัวย่าด้จจ่ยเหตุจิตใจตัวเองอันนี้ก็แสดงว่ามาห่างพุ้นมาห่างด้ว น, นมาด้วยมาผูกนึ่งบนเนี่ยมันมีปัญญานี่มันมาผูกนี้คือพ่อผูกเลยว่าไปตัดเด้ตัดหางมันนะเบื้งมาหางด้วนนั้นนะมันหางมันด้วนห่างยาวนี่มันดีถ้าหักหินมากลับเอาหางปัดก็ได้มันไม่มีหางเมื่ี้เอาอยางไปปั ด, ดแสดงไว้หินมาตัวน้อย เฮมันตัวเนน้อยเด้ยมันนี้เมื่อกี้เอาหัวไปปัดเ้มหมือนกับปัดบอดาได้บป็นมันต้องเอกห่างใต้ห่างรีมันไล่หินได้หยุ่งก็ได้เตัวห่างด้วนเนี่ยมันอกี้ไล่หินไล่ยุ่งได้เบาตรงเนีมันไม่รู้จักในฐานังเสียมันเป็นธรรมอะถ้าหักฟังเป็นและบ้านนี้มาฟูนั้งก็เลยเสื้อพ่อฟูกมันโอ้ดีมีหางนี่ไล่หินไล่ยุ่งก็ได้เมื่อี้เอาไปปัดที่นอนก็ได้อ้เนนี่มาหางด้วนนี่ไล่หินได้หยุ่งบได้แล้วหินขัดหัวบ่อยยัน เฮนคือยังคือกิเลสอันแล้วกินหัวมาโยนกิเลสมันยองยุศิสสะกุลนามันที่เห็นเรือกัยังบอกตัวมือเอาภาพพวกหัวเห็นหัวบ่เบ่เห็นแล้วเขมันยองยุหัวคุณน่น้าไม้เห็นผมเจ้าของบ่เบ่เห็นแล้วผมมันยองยุหัวคุนเพราะคนคิดมันบังไว้มันเป็นอะไรบันี้คนมีปัญญามันสามารถที่มองเห็นได้ผ้ายองยุหัวก็เห็นได้ผมอยู่ในหัวก็เห็นได้ผเค้ดยุยองยุตามก็เห็นได้แสดงว่าคนมีปัญญานั้น มองเห็นได้ทันทีเข้าไปเห็นลดเนีย่ยพอไปเห็นแล้วอันเนี้ยจึงเข้าออกคำมากเลยเรื่องนี้วันนี้ลูกศิษย์ลูกหากันจะ ต, ตายแล้วอยากได้บุญนํานานาไปอุปถมัมภ์ญาติกันไปหลวงคูบาอาจารย์เป็นผู้มีบุญมาแนะ้วเน่ะมีบุญโยอันน่ะมีบุญแบบนั้นบุญคือยังสอนอย่างนั้นบุญคือมันโมทุกแล้วขอไปที่คำ ม, มากให้คูบาโยให้มันทุกข์ให้มันสุกมันโง่เนี่ยผมก็มีตาไปมวนบุรีให้คูบาชุกอยู่ขนาดมันเป็นยังมันเป็นทุกข์ หายใจแต่ท้องเขามันจีบสบายเบาเ อ, อ้มันก็สบายแลยเป็นจะขสวัสดิ์ได้แบบนี้ขึ้นมาได้แบบนี้คนคันว่าสั้นทำบุญกระเ บ, บืวนบุรีบูบมากได้พาคนามมันคิเป็นพระอย่งไรนะว่าสมมติสงฆ์คนว่าจางังทันทิกซูแต่ผู้เห็นไท่า เ, เห็นไทยคือยังย่เห็นจีเลสนี่มันคิดขึ้นมามันบไดายใครยาไซโยเป็นที่มันเท็กนว่าจางังันแลมาที่นี่ บ, บ, บ า, กกาหูบาตากันอ่ได้บาตาพระนั้นบาตาพระนั้นมืนปรเรื่อง บ่าตาคนนั้นเป็นพระขึ้นมาพระนั้นหมายถึงผู้ประเสริฐหมายถึงผู้สอนสอนให้เขารู้จัก